คนเรามักตั้งใจดีตอนอารมณ์ดีๆต่อเมื่อเจอสิ่งยั่วยุสติก็ขาดผึงอารมณ์หน้ามืดต่อสิ่งเรากลับมาครอบงำที่คนเราตั้งใจทำอะไรแล้วทำไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีวินัยในการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นและการตั้งใจรักษาศีล ก็เพราะคนเรามักตั้งใจกันตอนอารมณ์ดีๆตอนกำลังรู้สึกสบายๆไม่มีอะไรให้ต้องฝืนตนเมื่อเจอของจริงสิ่งยั่วยุที่จับต้องได้สติก็ขาดผึงอารมณ์มักง่ายหน้ามืดต่อสิ่งเรากลับมาครอบงำให้หมดความยั้งคิดได้แบบเฉียบพลันเหมือนเดิมทางออกที่เป็นไปได้จริงในการรักษาความตั้งใจ คือทำสมาทานศีลที่สมบูรณ์โดยอธิษฐานสมาทานสองครั้งไม่ใช่ครั้งเดียวดังเคยครั้งแรกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพยานในช่วงที่จิตใจยังไม่มั่นคงพร้อมจะหวนไหวไปกับสิ่งยั่วยุนิยมสมาทานศีลกันต่อหน้าพระเหมือนใหสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกเป็นพยานซึ่งคุณจะรู้สึกเหมือนมีแสงสว่างนำ มีกําลังใจเป็นตัวเป็นตนอยู่ตรงหน้าหลังทําเรื่องศักดิ์สิทธิ์เช่นถวายสังฆทานหรือสวดอิติปิโสบูชาพระให้ตั้งจิตต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คิดว่าวันนี้จะไม่ผิดศีลข้อไหนบ้างอย่าเมารัวมั่วๆ ว, ว, ว่าข้าพเจ้าจะรักษาศีลเพราะธรรมดาคารวาดอาจจำเป็นต้องมีบางข้อ ที่อาชีพบีบให้ด่างร้อยหรือทะลุครั้งที่สองให้เหตุการณ์จริงเป็นพยานเมื่อเกิดเรื่องลองใจยัอยุให้ประพฤติผิดจะทางกายหรือทางวาจาก็ตามให้ดูใจตัวเองว่าคิดจะยอมหรือพร้อมจะสู้ไม่ว่าอยากยอมหรืออยากสู้ให้สู้ท่าเดียว การสมาทานศีลที่ดีที่สุดคือการตั้งใจจริงในการไม่เอาบาปผู้ที่รักษาศีลด้วยใจไม่ใช่แค่ด้วยปากได้ชื่อว่าเป็นผู้สมาทานศีลแม้ยังมีความคิดอกุศลเกิดความอยากพูดผิดอย่างโน้นทำผิดอย่างนี้แต่สามารถห้ามปากและมือเท้าไว้ได้ไม่ก่อกรรมทำเวรกับใครให้นับว่ายังมีศีลที่สะอาดบริสุทธิ์สมกับที่สมาทานเอาไว ความมั่นคงทางใจที่เกิดขึ้นหลังสมาทานศีลครั้งที่สองจะยกระดับสติหลังจากสมาทานครั้งที่สองได้หนเดียวก็ราวกับศีลที่รักษาได้ข้อนั้นๆกลายเป็นเรื่องไม่ยากไปตลอดชีวิตที่เหลือการสมาทานศีลที่แท้คือการสมาทานด้วยใจถ้าหากว่าต่อไปชีวิตที่เหลือเรารู้สึกอยู่แล้วว่าจะไม่ผิดศีล รู้สึกว่าไม่เอาตั้งแต่ตอนที่ลุกขึ้นมาแต่ละวันแล้วไม่ต้องสมทานก็ได้เนื่องจากว่าศีลประดิษฐานอยู่ในใจเรียบร้อยไม่จำเป็นต้องไปหาใหม่จากที่ไหนอีก